วันนี้ที่สุกโตนะมีหลายงานนะเกิดขึ้นพร้อมกันนะได้แก่งานบวชเรามีหน้ามาบวชนะเป็นพระเจ็ดรูปและขณะเดียวกันก็มีการนะปลูกป่าคนที่จะไปร่วมก็หลายร้อยนะแต่ทั้งสองงานนีนะ้ก็ไม่ได้เกิดขึ้น ที่วัดป่าสุขโตโดยตรงนะบวชหน้าก็ไปบวชที่วัดภูเขาทองปลูกป่าก็ไปที่วัดป่ามหาวันหรืผู้หลงแต่ก็เริ่มต้นจากวัดป่าสุขโตวัดภูเขาทองแล้วก็วัดป่ามหาวันก็เป็นวัดที่วัดน้องเป็นเครืออ่เป็นเครือเดียวกันนะสุขโตนี่เป็นศูนย์กลางการบวชก็ดีนะการปลูกป่าก็ดีเนี่ย ถือว่าเป็นงานบุญนะแม้แต่คนที่ไม่ได้บวชแต่ว่าไปร่วมพิธีบวชไปร่วมอนุมโมทนาในสิ่งที่นาคนะจะได้บาเพ็ญก็เป็นบุญเหมือนกันนะการไปอนุมโมทนาบุญหรืออนุมโมทนาความดนะีของผู้ที่เป็นนาคเนี่ยซึ่งจะบวชพระในะอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเป็นบุญที่เรียกว่าปัตตานุมโมทนาใหม่ การอนุโมทนาในความดีที่ผู้นได้ทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาสิ่การปฏิบัติธรรมหรือการบวช ไ, ได้บุญทั้งนั้นนะเป็นบุญที่ทําให้จิตใจผ่องใสส่วนการไปปลูกป่าปลูกต้นไม้เนี่ยก็เป็นบุญเหมือนกันนะเป็นบุญที่เกิดจากการบําเพ็ญประโยชน์ส่วนรวมเรียกว่าวัยวัจจะไม่คําว่าวัยวัจจกรเนี่ยก็คือผู้ที่ทําประโยชน์ส่วนรวม วายวัตจำไม่ก็คือผู้ที่หมายถึงบุญที่เกิดจากการได้ทําประโยชน์ส่วนรวมผู้ชาติตรัสว่าผู้ใดสร้างสวนปลูกปา่าบุญของผู้นั้นย่อมเจริญอยู่ทุกเมื่อเช้าวันเป็นบุญที่เจริญนะพร้อมๆกับต้นไม้ที่ได้ลงมือปลูกนะต้นไม้ก็โตเอาโตเอาบุญของเราก็เจริญเอาเจริญเอาเหมือนกันเพราะว่าเมื่อต้นไม้เจริญมันก็ให้ร่มเงาแก่ผู้คนนะ อกสัตว์ก็มาอาศัยอันนี้เป็นบุญที่คนมักจะมองข้ามนะหรือไม่รู้จักนะไปคิดว่าต้องมาที่วัดเท่านั้นถึงจะทําบุญได้หรือมาถวายสังฆทานนึงจะได้บุญนะปลูกป่าสร้างสวนสร้างสะพานทํำกิจส่วนรวมก็ได้บุญนะเราจะว่าไปแล้วเนี่ยนะงานสองงานนี้หรือว่าการบวชนาคและการปลูกป่านี้ก็มี อีกสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนะนอกจากเป็นการบําเพ็ญบุญสิ่งที่เหมือนกันอีกอย่างนึงก็คือมันเป็นการสืบต่อศาสนานะการที่มีคนมาบวชเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะว่าเป็นการสืบต่อศาสนาเพราะว่าศาสนาจะสืบต่อได้ต้องมีทายาทนะผู้ที่มาบวชนะก็ถือว่าเป็นศาสนาทายาทนะแม้จะบวชชั่วคราวนะ แต่ว่าไม่แน่นะอาจจะยืนยาวก็ได้อย่างอตาตมานี้เดิมที่เขตั้งใจบวชชั่วคราวนะแค่สามเดือนไปประมาณมาก็สาสิบสามปีแล้ว <c oughs> <c oughs> นะเพราะว่าพอมาบวชแล้วก็จะติดใจนะแต่ถึงจะบวชสั้นนะก็ถือว่าเป็นาศาสนท า, ายาทเด้เหมือนกันนะแต่เป็นทายาทชั่วคราวแต่ถ้าบวชยาวนะก็เป็นาศาสนาทายาทีอา่อาจจะถาวรก็ได้จนกว่าจะหมดลมอันนี้ก็เป็นการสื่ต่อาศาสนานะ ศาสนาจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคนน้อมนําธรรมะไปปฏิบัติโดยเฉพาะปฏิบัติในฐานะเป็นพิสูจนสงฆนะ์การปลูก ป, ป่านี่ก็เรียกว่าเป็นการสื่อต่อศาสนาเหมือนกันนะหลายคนก็อาจจะสงสยัยมันสื่อต่ออย่างไรนะสำหรับพุทธศาสนาเนี่ยป่าเนี่ยมีความสําคัญมากนะเรียกว่าเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้อย่างที่เราทราบนะ พระพุทธเจ้านี่ก็อิงกับป่าหรือธรรมชาติหรือต้นไม้มาตลอดตั้งแต่ประสูตรนะก็ใต้ต้นไม้นะตัสรุ่กก็ใต้ต้นไม้ในอริมแม่น้ําที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่เป็นรมณีสถานอันนี้พระเจ้าก็ตัดไปเลยนะว่าที่พระองค์มาเลือกที่ตําบลอุรุเวลาเนี่ยเพราะว่าเป็นที่ที่สงบสงัดเป็นรมนีนะน้ําท่าก็ อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความรื่นรมเหมาะกับการประเพณเพียนแล้วพระองค์ก็ตัดสรุปในที่สุดตัดสรุปแล้วก็ยังช่วยพืนตัดสรุปด้วยหรือรูธรรมนะธรมะรมปฐมเทศนาก็เกิดขึ้นครั้งแรกนะเกิดขึ้นที่ปายอิสิปตนะมฤรุกทยวันนะมีพระอรหันเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกเริ่มต้นนะ มีภริยบุคคลคือพระอัญญากลทัญญาก่อนและตามมานะอีกสี่ท่านอันนี้ก็เกิดขึ้นท่นะามกลางป่าธรรมชาติที่สงบสงัดหลังจากนั้นพระองค์ก็แสดงธรรมในทํากลางธรรมชาติอีกหลายแห่งนะที่เรียกว่าเป็นอารามหรือเป็นว น, นาเช่นเวลุวันนะเชตวัน มหาวันพวกนี้ไอ้คำว่าวันวนี้แปลว่าป่านั่นแหละนะสุดท้ายพวกก็ไปนิพพานใต้ต้นไม้ไปนิพพานแล้วเนี่ยพระสงฆ์ก็ยังจำนวนมากก็ยังบำเพ็ญเพียรปฏิบัติซึ่งส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะไปปฏิบัติในป่าตามคำแนะนำของพุทธเจ้าเพราะว่าในป่านั้นมีความสงบสงัดเมื่ออยู่ท่ามกลางความสงบสงัดร่มรื่นเป็นโรมนีจิตใจก็พลอยสงบไปด้วย และจิตที่สงบเนี่ยก็เอื้อต่อการบรรลุธรรมเกิดสว่างขึ้นมาจากจิตสงบก็เปลี่ยนเป็นจิตสว่างเกิดปัญญานะหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วเอาปัญญาที่ได้เนี่ยหรือธรรมะที่ปรากฏเนี่ยนำไปแสดงสอนแก่ญาติโยมเกิดประเพณีวัดป่านะประเพณีวัดป่าซึ่งเป็นเหมือนกับต้นทานในการสืบสารพระธรรมให้เผยแผ่มาถึงเรานในปัจจุบัน นะที่ธรรมะมาถึงเราคนในรุ่นนี้ได้ก็เพราะอาศัย ร, รมเนียมปฏิบัติของพระป่านะนอกเหนือจากการที่มีพระม า, าได้สืบสายาคําสอนในรูปของพระเพรติธรรมแล้วเนี่ยนะการปฏิบัติจนเกิดปฏิเวทนะก็เกิดขึ้นได้ท่ามกลางป่าอันสงบสงัด ดังเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยสืบทอดมาถึงเราทุกวันนี้ได้เนี่ยก็เพราะอาศัยป่าเนี่ยมีส่วนสําคัญมากน ะ, ะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่ารักษาป่าคือรักษาธรรมนะเพราะว่าช่วยสืบต่อศาสนาช่วยสืบต่อพระธรรมและเกื้อกูลสําหรับการปฏิบัติธรรมด้วยทุกวันนี้เนี่ยป่ามก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆ ไอ้ที่มีอยู่ก็ยังมีภัยคุกคามไม่หยุดจัง้งอย่างเช่นป่าภูหลงเนี่ยอย่างที่ทราบดีเมื่อสองเดือนที่แล้วเนี่ยก็เกิดไฟไหม้ใหญ่ไหม้เป็นทำลายเป็นปรติการนะประวัติศาสตร์ของภูหลงไม่เคยเจอการทำลายล้างขนาดนี้นะไฟไหม้เผาผลาญไปพื้นที่สองสามพันไรนะ่อาตมาอยู่ภูหลงมานานก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่ร้ายแรงขนาดนี้แต่นั่นก็เป็นธรรมดานะ อะไร ก, ก็เกิดขึ้นได้นะภายใต้ดวงอาทิตย์นี้นะเพราะว่าทุกอย่างมันไม่แน่นะมันก็เป็นไปตามหลักอนิจจังนะถ้าพูดอีกแง่หนึ่งคือว่ามันเป็นเช่นนั้นเองนะเหตุปัจจัยถึงพร้อมนะมันก็เกิดเพลิงไหม้เผาผลาญไล่แรงปัจจัยนั้นก็เช่นใดแก่อากาศที่แห้งแล้งนะปีนี้ก็แล้งมากมีน้าซ้ําเชื้อเพลิงก็เยอะขึ้นนะเพราะว่าย้ายแหง้งใบไม้แหง้งมันสะสมมากเนื่องจาก ทางวัดกับชาวบ้านป้องกันไฟป่ามาได้ต่อเนื่อง12ปีนะมันไม่มีไฟป่าข้อดีนะมันก็มีแต่ข้อเสียคือเชื้อเพลิงมันก็มากขึ้นเรื่อยๆนะยญ้ายแห้งใบไม้แห้งแล้วพอไฟมันลุกพรึงขึ้นมานี่มันก็จะแรงมากแต่ว่าเมื่อไม่เกิดขึ้นแล้วนะเราก็ก็ต้องดับมันนะไม่มีเวลาที่จะมาบน่นโวยวายตีโพยตีพายดับเสร็จ ก็ไม่มีเวลาที่จะมาท้อแท้นะก็ต้องเริ่มต้นใหม่นะปลูกป่ากันใหม่ก็ทำกันเป็นทอดๆหลายขั้นตอนแล้วเช่นลงทัวนะเพื่อคลุมหญ้าแล้วก็ปลูกกล้วยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้จะลงกล้าแล้วประดูตะเคียนมะข่าไมา้พยุงด้วยรวมทั้งยางนาะก็จะเอามาลงนะ วันนี้ก็เลยมีญาติโยมจิตศรัทธาทีแรกก็คิดว่าเป็นร้อยนะจากบริษัทแปลนตอนหลังก็มีมาสมทบอีกรวมแล้วก็อาจจะสี่ห้าร้อยนะก็คงจะช่วยทำให้การปลูกป่านะราบรื่นแล้วก็ดินฟ้ากายคงจะเป็นใจก็คือไม่ร้อนแล้วก็ไม่ถึงกับชุ่มชําคือฝนตกน ะ, ะญาติโยมไหนที่สนใจก็รวมได้สองงานเนี่ยจะแปลนุมโมทนาการบวชหน้าก็ได้ที่ วัดภูเขาทองหรือจะไปร่วมปลูกป่าก็ได้นะก็ร่วมแต่เป็นสิ่งที่น่านุมโมทนาทั้งนั้นอ่ะเราก็เตรียมรับพรนะ